อนาปฏิวานพิจุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ782 1. ริบสพิจุณีนํากับปิยพัณฑ์ที่เหลือไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น 2. องพิจุณีขออนุญาตเจ้าของก่อนจึงนําไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น3ามพิจุณีผู้มีเหตุขัดข้อง4ี่พิจุณีวิกลจริต5้าพิจุณีต้นบัญญัติ